โกสเรนีโอสนับสนุนโดยวินเดอร์กัสกาฝากง่ายจ่ายคล่องการันตีการเงินร้อ <c oughs> ตอนนี้เรามากันที่สายนี้ครับสายสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้สายของคุณบอยคุณบอยฉีดปลวกครับเราคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีฮะคุณบอยมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหมอครับ อันนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคุณบอยเองนะครับไปรับฟังมาอีกทีหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าเสียงกระซิบจากศพเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้กันนะตอนนี้คุณบอยอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับโอ้โหเสียงอย่างนี้สิเสียงดังฟังชัดชัดแป๊ะเลยนะฮะ <c oughs> <อ>เออ <c oughs> คุณบอยสบายดีนะอ <c oughs> ไม่ค่อยสบายครับเพราะว่า<อ>หายจากไข้แล้วก็เป็นไข้ต่อหายจากไข้แล้วกลับมาเป็นไข้อีกหรอ ใช่ครับโอ้ยดูแลรักษาสุขภาพมาครับผมแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมอะไรครับตอนนี้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยครับผมอ๋อโอเคพยายามพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินยาเยอะๆนะอ่าครับผมขมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณบอยไปได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนที่เป็นหมอครับผมแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจนะครับเรื่องของเสียงกระซิบจากศพเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณบอยครับผม เอ่อเมื่อประมาณประมาณสองเดือนสองถึงสามเดือนก่อนนะครั บ, รบจากนี้คือผมได้นัดเจอเพื่อนคนหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้เจอกนานาแล้วก็เลยมานัดกินข้าวกันวันนี้นั้นเพื่อว่าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาเป็นหมอ ค, คือคือเป็นหมอผ่าตัดอืนะครับอ่ะฮะก็นั่งกินแล้วก็คุยเรื่องสันตุสุขดิบกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเผอิญว่าตัวตัวเพื่อนผมคนเนี้ย เขาฟัง The Ghost Radio เหมือนกันอืมขอบคุณนะเขาเป็นแฟนเหมือนกันแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเออเฮ้ยนายไปเล่าเรื่องในรายการนี้อะไรเงี้ยเขาก็ฟังเหมือนกันครับ <c oughs> ผมบว่าเออใช่ใช่ได้ขาวว่าเป็นอไปทำโรงพยาบาลนูล้นโรงพยาบาล น, นี้เนี่ยออืป <c oughs> ีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้ฟังมั้งหรือเปล่าเผื่อ <c oughs> จะเอาเอาเรื่องเงี้ยไปเล่าในรายการให้ฟังบ้างเงี้ยเขาบอกว่าดีเลยเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆแล้เขาอยากโทรไปเล่าในรายการแต่เขาไม่ค่อยมีเวลา เปิอื่นว่าเจอกับพวกอะไรมาลอยฟังออือเขาก็บอกว่าเออเขาเจอเยอะเจอเยอะเหมือนกันแต่แต่ผมบอกก่อนนะพี่ว่าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาเป็นคนไม่กลัวผีครับแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยอื่อาฮถ้าเกิดไปเห็นอะไรแวบบๆเขาก็จะคิดไปเองว่าอา๋อตาเราฝาดเองครัทำงานหนักพ อ, อเป็นนกเป็นค้างคาวเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะ หาเหตุผล ม, มาแก้ต่างในความคิดของเขานะด้วยความด้วยความที่เขาเป็นหมอด้วยแหละใช่ครับนะฮะจนมันมีอยู่ครั้งนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคครั้งเนี้ยเขาเชื่อแล้วว่าวิญญาณน่ะมีจริงนะฮะผมก็เลยว่าอะไหนเรามาเ็าบอกว่าเมื่อประมาณสามสี่เดือนหลังจากที่เราเรามานั่งกินข้าวนะครับนับถอยหลังกัไปเขาบอกว่าเขาไปประจําอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ วันนั้นเนี่ยคือเขาอยู่เวรดึกอืมอยู่เวรดึกอด้วยความที่แบบว่าไม่มีอะไรทําเขาเลยเดินออกมาจากตัวโรงพยาบาลเดินมารอบๆ็อบลอบลอตัวโรงพยาบาลพยายามดึกๆดึ๋งนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นนประมาณสักตีสองกว่าออืนะครับตีสองกว่าเขาก็ใส่ใส่ไอเขาเรียกอะไรชุดชุดป๋อะครับเป็นชุดยุงยางสีขาวชุดกล้าวชุดกล้าวใช่ใช่ใช่ชุดกล้าวเดิน ชมนกชมไม้ในยามตอนกลางคืนเขาพูดอย่างงี้นะชมนกชมไม้ยามตอนกลางคืนเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนกลางคืนมันเงียบสงบมันทํำให้เขาได้มีความคิดอะไรมันเจิด <S S S 2> <c oughs> เขาพูดอย่างนี้ในขณะที่เดินเดินเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆมันมีลมเบาๆมันเป็นลมเยินๆเบาๆเหมือนเป่าปปผ่านหูเข้าไปนะครับทั้งท่านที่ตอนทั้งนาทีสองกว่าแล้วพื้นที่บริเวณตรงรองงบวงโรงพยาบาลที่เขาเดิ น, นี่คือไม่มีใครละออืมันจะเงียบสงับฮะ แล้วก็อยู่ดีๆมันมีลมผ่ดหูเข้าไปเขาจิดีๆมันมีลมได้ยังไงเพราะว่าลมมันไม่ควรจะผ่าแค่ตรงหูครับเอมันควรจะมาเยอะหรือมาทั้งตัวหรืออะไรก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินต่อไปครับพอเดินต่อไปครั้งนี้ยลมครั้งนี้มันมาข้างอีกข้างออืมันเป่าทาั้งข้างซ้ายและข้างขว า, าสลับกันเขาก็เริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่ามีใครมาแกล้งตลกอะไรกับเขาครับครับอ๋อ uh huh. เขก็หันไปเขาบอกว่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรเลยข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับครับด้วยความเงียบแล้วก็มีเสียงรถลาไกลๆนะฮะโรงไยบานนี้คือเหมือนกับติดถนนครับก็หันกลับไปก็ยังไม่ได้คิดอะไรในนาที่เดินๆไปเนี่ยอยู่ดีๆเอเขาเลี้ยวไปทางบุมเห็นเขาเล่าให้ฟังนะครับพี่คือเขาเลี้ยวไปทางทางบุมของสึก คือตึกลักษณะที่เขาเดินเนี่ยเขาจะเดินตรงนะครับเป็นรูปตัวยูความที่รีภาพออกไหมอืมอืมอืมเป็นรูปตัวอยูตัวยูความหรือเป็นตัวเอ็นเนี่ยเขากำลังเดินและเลี้ยวตรงมุมตึกเนี่ยอยู่ดีๆสายตาเขาไปเห็นคนคนหนึง่งนะฮะเป็นผู้ชายคนหนึง่งครับจริงๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่น่าผิดปกติอะไรแต่มันผิดปกติตรงนี้ว่าคือตัวผู้ชายเนี่ยเขาลอยอยู่ข้างบนบนะฮะรอยอยู่บนเพดานครับลักษณะการลออยู่บนเพดานเนี่ย คือหัวไม่ดีอือเพื่อนภาพบอกไงครับคือหัวมันจมเข้าไปในเพดานอืมแต่ตัวลอยอยู่ <c oughs> เออคือหัวเนี่ยมันมุดเข้าไปในเพดานใช่ครับแต่ตัวลอยอยู่แต่ตัวจะลอยอยู่อ๋ออ๋ออ๋อ อ, ออ๋ตัวลอยอยู่ออแล้วยืนแบบเหมือนยืนธรรมดาแต่หัวอยู่หัวมันทะลุเพดานเข้าไปแล้วครับเพื่อนก็มองแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยนี่มันผีแน่ๆเลยคือดึก ด้วยที่แสงของเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีครัเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดอย่า ง, งนั้นเองนะฮะเขาก็จ้องผมก็บอกว่าโอ้โหเสลือเชื่อมากเลยนะเนี่ยคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราเจออย่างนี้นเราวิ่ง<อ>ปาลาบไปแล้วโอ้ช็อกตายอยู่นั้นแหละค่ะใช่คงสลบหูืวิ่งอะไรกับแต่เขาบอกว่าคือเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ยมันเป็นมันเป็นดัชชิโคิดหรือเปล่าอ่าฮะเขาก็ยืนพิจารณายืนพิจารณาสักแป๊บหนึ่ง อยู่ดีๆมันเหมือนมีได้ยินเสียงข้างหลังนะพี่อือเคือเขาบอกว่าได้ยินเสียงหลั ง, <c oughs> ง, งอ่ะอย่างเงเขาก็เลยหันไปมองครับเ อ, อก็ไม่มีอะไรแล้วหันมาอีกทีปรากฏว่าอาลูกล่างที่เขาเห็นเป็นคนที่หัวทะลุเพดานหายไปแล้วครับพอหายไปแล้วเสร็จเขาก็มองที่พิทไปที่เพดานนะพี่คือมันจะมีอะไรทะลุลงมาอีกทีเขาพูดอย่างเงี้ยนะในจังหวะที่จ้องมองอะยู่ดีๆมันมีเสียงออกมาจากข้างหลังครับ เขาบอกว่าหาผมให้เจอหน่อยอ่อหาหาหาหาเลยนะฮะหาผมให้เจอหน่อยอ่อเออพูดอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกว่าหาผมให้เจอหน่อยอือเขาบอกว่าแล้วหมอก็เฮ้ลรถคือเราจะไปหายังไงครับอยู่ดีดีมีเสียงมาอย่างนี้แล้วคืออะไรเขาต้องการสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมก็บอกว่าสงสัยอะสิ่งท네ี่เขาเห็นน่ะคือพยายามจะมาบอกหรือเปล่าครับอกว่าหาเขาหน่อยหาหรืออาจจะเล่นตลกหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอย่างเงี้ย เขาบอกหาเขาให้เจอหน่อยหาผมให้เจอหน่อยออืคือเสียงเนี่ยมันแววมาแววมาสองถึงสามครั้งด้วยอันด้วยความสงสัยแต่ก็รู้สึกว่าเออเหมือนตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าเ<ช>พราะเป็นคนไม่โกหกผีไงพี่ก็พยายามหาเหตุผลว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าได้ยินไปเองคิดไปเองหรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่ภาพที่มันเห็นอยู่ตรงโจ่งนั้นนหะก็อาจจะเป็นภาพลวงตาหรือคืบหาเหตุผลไปเรื่อยอออืฮ ในขณะที่ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเดินกลับไปครับนะฮะพอเดินกลับไปเสร็จหันหลังกลับไม่กลับไปทางนั้นล่ะไม่ไปทางข้างหน้าหละอหันหลังครับพอหันหลังกลับเสร็จคือทีๆได้ยินเสียงเหมือนเหมือนอะไรตีกาแพงครันะฮะนี่เอเสียงอะไรตีกาแพงก็เลยหันกลับไปทีปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่หัวทะลุเพดานโผล่ไปครั้งหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยไม่ได้โผล่มาธรรมดาคือโผล่มาเสร็จ เขาเอาปลายเท้าอะที่กระแทกไปตรงกระแพงที่เขาลอยอยู่เพื่อเหมือนพยายามเหมือนพยายามเรียกหมอเนี่ยให้สนใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินเนีอยคือมันเป็นเรื่องจริงอ ะ, อะไรเงี้ยหมอก็ยืนแล้วก็พิจารณาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเลยออืะนะครับในขณะที่เดินกลับเนี่ยหมอบอกว่าตลอดระยะทางเนี่ยเขาได้ยินเสียงลมผ่านหูอ แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายบอกหาผมที ห, หาผมที อ, อย่างเงี้ยตลอดระยะทางจนเดินเข้าไปถึงที่ตึกนะครับปรากฏว่าพอถึงไม่ตึกเนี่ยก็ไปเจอไปเจอกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับเขามาร้องเรียงเขาบอกว่ า, เ, าเขามาติดต่อขอรับศพซึ่งมันนานแล้วเายังไม่ได้ศพเลยนะฮะ ขอรับศพญาติญาติเขานะครับเพราะว่าญาติเขาเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล น, นี้เราขอรับศพแล้วมันเขาจ้างเขาจ้างรถมูงนิธินะครับเพื่อขนศพไปแต่เขาไม่ได้จ้างรถของทางโรงพยาบาลนะฮะเพื่อกนศพไปแต่ปรากฏวระศพยังไม่ถึงในจุดๆที่เขาเขาต้องการให้ไปศ่เลยบอืออ้าวแล้วศพนี้เป็นศพไหนอะไรยังไงก็ติดต่อไปคุยไปคุยมาเังเอิว่าหมอเพื่อนเพื่อนผมคนเนี้ย เขาเข้าไปแล้วก็ไปฟังการสนทนาเขาบอกว่าอา้าวศพคนคนเนี้ยที่เขาที่เขาเป็นคนผ่าตัดให้นี่ครับอเขาเซ็นอนุมัตินู่นนี่นั่นอะไรไปแล้วแล้วทําไมศพถึงยังไม่ถึงอืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอื้อศพยังไม่ถึงจริงๆออืปรากฏว่าก็ก็เอาเรื่องเนี้ยคือให้ทุกคนอ่ะช่วยออกตามหาว่าใครมารับศพไปหรือ อ, อะไรยังไงนะครับจนสุดท้ายคือคือ ทางออกไปเจอพี่เพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าศพตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรโอ้โหโอ้โหนะครับสุดท้ายคือแจ้งความครับแจ้งความนะครับแจ้งความเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแจ้งความอะไรอะไรยังไงแต่รู้ว่าศพหายไป mm hmm. แล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนศพไปอะไรเงี้ยคือเป็นบุคคลที่น่าสงสัย mm hmm. เขาก็เลยตามไปปรากฏว่าตํารวจก็ไปตามแล้วก็ไปตามเจอจริงๆ mm hmm. ไปตามเจอจริงๆเออ ที่ตำรวไปตามเจอเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะพี่ที่ที่เขาทําการขโมยศพอืขโมยศพเพื่อเอาชิ้นส่วนชิ้นส่วนอวัยวะภายในของร่างกายเนี่ยนะฮะไปแยกขายโอ้โหเออนะครับไปแยกขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาลังจกําลังจะนําส่งเพื่อไปแยกขายตารวจก็มาบุกจับได้พอดีเลยครับอะไรอย่างเงี้ยอก็ สุดท้ายก็คือเรื่องมันก็มีแค่นี้แล้วพี่คือญ<ม>าติก็ได้ได้รับศพไป<ม>ดีที่ศพศพของคนคนเนี้ที่ที่หมอคนเนี้ที่ผ่าตัดเตี่ยนผมยังไม่ถูกทําการแยกไปก็เจอศพแล้วญาติจะเอาศพกลับไป<ม>ทีเนี้ยอนะฮะหลังจากที่เรื่องจบก็ตไปจบตายจบมาเนี่ยหมอก็กลับอาศัยชีวิตตามปกติออ<ม>ืเป็นหมอที่ที่ลงพยบ้านเนี่ยครัวันดีคืนดีอยูด่ดีดีเนี่ย เขาก็เดินเหมือนเดิมเดือนประมาณตีสองตีสามนะฮะมันมีเสียงแววมาจากข้างหลังออืบอกว่าขอบคุณออืบอกว่าขอบคุณเขาข่าเพื่อนก็หันหลังไปก็ไม่เจอเหมือนเดิมแต่คงคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นวันนั้นอ่ะคงจะเป็นศพศพคนขอบคุณคนนี้แน่ๆเลยเป็นวิญญาณของคนคนนี้แน่ะที่พยายามประสิษสารกับหมอเพื่อให้หมอช่วยออกตามหาส่งเขาให้ทีออื แล้วมันบังเอิญตรงที่ว่าหมอเงี้ยหมอเพื่อนผมเป็นคนที่นำผ่าตัดครับนำผ่าตัดคนคนเนี้ mm hmm. จนสุดท้ายก็คืออาจจะคือไม่รอดจริงรอ่ะคือเสียชีวิตไปโอคือหมายถึงว่าโดนขโมยศพออกจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เฮ้ยเขาเข้ามาเอาได้ยังไงการเอาศพในโรงพยาบาลผมว่ามันคือไม่ใช่เอาไม่ใช่ขโมยศพออกจากโรงพยาบาลที่คือหมายความว่าคือเขาจะเคลื่นย้ายศพ เพื่อไใช่ใช่เพื่อไปทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยเอาศพไปส่งญาติใช่เอาศพไปส่งญาติอาจจะไปส่งที่วัดหรืออาเซอร์เซีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจทีนี้หมอก็รายฝัืมทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวิธีการในการที่จะไปขโมยตรงนี้เนี่ยเขาไปตรงตรงตรงจุดไหนอะไรยังไงหรืออาจจะมีอะไรอันนี้ไม่รู้มันเป็นเรื่องโอ้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก เรื่องของบขบวนการเนี้นะครับผมผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันเคยได้ยินว่ามีการอ่าซื้อขายอวัยวะของมนุษย์อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่แค่เล็กๆนะฮะมันเป็นเหมือนกับโ อ, อ้องค์องค์องค์กรใหญ่มากใช่องค์กรใหญ่เลยองคอ์กรใหญ่เลยพวกเนี้ยเพราะว่าอวัยวะของมนุษย์เนี้ยครับมันมีมูลค่าโอ้มหาศาลโดยเฉพาะในส่วนของไตที่คนโอ้โหโอ้ไตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หัวใจ อ่าพวกพวกแขนพวกขาพวกอะไรพวกเนี้มันมันมันขายอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเพราะมันทําอะไรไม่ได้ไงแต่ส่วนมากเลยจะเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในที่เขามีการค้ากันใช่จะเป็นอวัยวะภายในเออส่วนมากจะเป็นภายในมากกว่านะครับเออเหมือนกับว่าเขามาเรียกร้องเขามามาติดต่อสื่อสารมาทําให้หมอเห็นใช่มาทําให้หมอเห็นอือ เขาเล่าเล่าเหมือนธรรมดาเลยแต่เป็นผมผมรู้สึกว่าขลุดน่ากลัวมากครับตอนนี้เขาเล่านะอเขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวเขาก็เลยเล่าแบบเป็นเรื่องธรรมดาปกติมือนชินเหมือนเหมือนชิวอ่ะชิวมากเลยเขาบอกว่านี่เราผีเออผีวันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาเดินไปเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่ห้องนี้ะไมอ่าาอ่ใช่ไหมพี่นะฮะเออเขาบอกว่าอยุ่ดีดีวันดีคืนดีเขาเดินผ่านประตูก็เปิดออกพอเปิดออกเสร็จรถเข็นเนี มันมันเข็นออกมาเองอเออแล้วก็บวชนะมีศพโอ้โหเออมีศพออกมาเข็นออกไปเองเลยดิ ท, ทั้งๆที่ข้างในไม่มีคนออืแล้วก็ไม่มีคนเข็นเข็นรถออกมาด้วยครับแค่ประตูเปิดเองแล้วรถออกมามหมอก็ไปเข็นกลับเข้าที่เดิมแล้วก็ปิดประตูคนคนคนไม่กลัวคน <c oughs> คไม่กลัวยังไงก็ไม่กลัวเพราะอย่าลืมว่าหมอในเขาก็อยู่กับศพเขาก็เห็นศพอะไรมาเยอะนะครับ แล้วก็ก็คิดด้วยว่าเฮ้ยเขาช่วยคนมาเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ามีผีจริงผีคงไม่มาหลอกหมอหรอกถูกไหมใจแข็งมากโอเห็นคนลอยอยู่ขนาดนั้นโอ้ยเนะเอออาๆได้ฮะเป็นเรื่องที่หมอเล่าให้กับคุณบอยฟังหมอคนนี้เป็นเพื่อนของคุณบอยครับผมแล้วก็เป็นคนที่ฟังรายการ The Ghost Radio ด้วยใช่ครับูขอบคุณมากๆเลย นี่ผมว่าเขากาลัง เ, ออเขาควบคุมกำลังฟังอยู่เลยเออได้ได้ยังไงฝากขอบคุณเขาด้วยหรือถ้าฟังอยู่ก็ขอบคุณผ่านตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับใช่ครับได้ครับ<ด><ม>คุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณบอยครับทั้งหมดแล้วครับโอเคได้คุณบอยแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมได้<อ>ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจอกเดินทางประมาณตีสองไปไหนเดินทางขับกลับกทมครั บ, บ, ร อ, รบอ้าวตอนนี้ไม่ได้อยู่กทมหรอ อ๋อไม่ครับตอนนี้ผมอยู่ปราจีนอ๋ออยู่ปราจีนอ่าใช่แล้วขับรถเองหรือเปล่าไม่ไม่ครับผมมาตัดทีงานอ๋อโอเคโอเคนะครับยังไงก็เดินทางไปกับปลอดภัยนะคุณบอยนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Ghost Radio สนับสนุนโดยวเน n e r g a ฝากง่ายจ่ายคง รประกันเงินเปอร